ภาษายทยทำสวดมนต์ไหว้พระก็สวดแปลภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยด้วยก็ใช้เวลาพอสมควรใช้เวลามากเกินไปก็เป็นพี่กรรมสำคัญในการปฏิบัติธรรมถ้าใช่ไม่เป็นตัวนมนธรรมดากัทุทั่วไปเขาไม่แปลเสด็เป็นภาษาบาลีสิบนาทียี่สิบนาทีก็จบไปแล้วเพราะเราออก ภาษาไทยมาแปลด้วยมันก็เหมือนกับการแสดงธรรมให้ตัวเองฟังสอนตัวเองควบคู่ไปกับการปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติธรรมทำยงไงนับหนึ่งจากเราโกนหนึ่งะตัวเราสองผู้ที่อยาให้สั่งสอนเราคือใครก็อพอรู้ว่างเพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาปฏิบัติ นอกจากที่ตั้งสองคปการเริ่มต้นแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ขวางกัน้นขณะที่เราปฏิบัติธรรมเราสร้างความรู้สึกตัวมันมาใช่ความรู้สึกตัวเสมอไปความหลงก็มีความมโหของหอนอนก็มีความลังเลสงสัยก็มีความคิดทุ่งจ้านก็มีตารมะราคาัปฏิคะมานะทิฏฐิ หวงกันไม่มีสติเหตุผลต่างๆทอย่างเราต้องให้ตั้งหลักให้ดีคือการบัญฐานคือมีที่ตั้งเอาสติมาตั้งไว้ที่กายนี่ไม่มีใครช่วยเราได้นี่แต่เราพยายามช่วยตัวเองเวลาใดที่ไม่่สติเกิดขึ้นมันหลงไปเราก็กลับมาได้ไม่ต้องยุ่งยากเพียงแต่เรา มีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเองไม่มีใครเชื่อเราได้เราก็พยายามจะมีความรู้สึกตัวขณะที่มันหลงง่วงงนอนอะไรก็ตามความรู้สึกตัวเท่านั้นที่ไปเกี่ยวข้องกับเสียงต่างสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติเตณจิติอยู่แปลผิดเราถูกจะเพึ่งแปล เ, เหตุเราผล บางที่บางทีไม่ใช่เหตุผลมัน ง, ง่วงนอนขึ้นมาอย่างนี้อันชีดอย่างนี้บางทีไม่มีเหตุผลเลยพวม ง, ง่ว ง, งเกิดขึ้อมาเองความระเล ส, สงสัยตัดสินใจไม่ได้อะไรถูกอะไรผิดบางทีก็เหตุผลบ้างเข้าไปด้วยกันกับอาการกต่างๆที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเราจึงอะไรก็ได้ไม่ต้องหวั่นไหว มีสติทั้งนั้นเรานั่งอยู่มันคิดจะลูกก็อย่าเพิ่งไปลุกกับความคิดจะให้ความคิดมันสั่งเดินอยู่มันคิดจะนั่งก็อย่าให้ความคิดมันพานั่งให้ความรู้สึกตัวพยายามเอาวรมรู้สึกตัวออกหน้าออกตาแมมีอะไรเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวเป็นที่ตั้งพร้มรู้สึกตัวก็จะมีอำนาจมีบทบาท ถ้าเราให้โอกาสคงรู้สึกตัวพวารู้สึกตัวก็แสดงความเป็นธรรมเนียมนาจมากขึ้นอย่ามีอะไรมาติดบงังเหตุผลมาติดบงังความชอบบาชอบอะไรต่างๆมาติดบงังให้มีสติต้นลุวนเข้าไปกับการกระทําของเราแม่ครูวอาจารย์ก็ช่วยไม่ก็ได้ให้ทวเองอันเชืเ่อแข็งเองการช่วยตัวเองนมันดีกว่าคนอื่นช่วย ถ้าคนอืช่วยมันอ่อนแอได้แต่เราช่วยตัเองมันเชื่อมแขยงได้ทันทีเรามันหลงรู้ได้ทันทีมันเชื่อมแขยงตรงนี้ด้วยอะไรเกิดขึ้นรู้ได้ทันทีเรามรู้สึกตัวเจาะท่องตัวมากขึ้นถ้าไปเอาเหตุเอาผลเอาความผิดความถูกเอาความชอบไม่ชอบเป็นที่ตั้งผมรู้ตัวก็อ่อนแอไปก็ไม่ให้โอกาส ความถูกต้องชอบตรรมมีอยู่ในเราแต่เราไม่ให้ความชอบตรรมแสดงบทบาทออกมาก็เลยเมื่อเป็นผลเท่าที่ควรกานที่มาจเจริญสติจะได้สติเอ้าวกับเป็นทุกข์มากขึ้นได้ความหลงมากขึ้นคิดมากขึ้นเพรียดมากขึ้นสารพัดอย่างบางทีมาปฏิบัติธรรมพอตั้งต้นปฏิบัติก็หน้าบูดน่าเบื่อไปซะแล้วเอาผิดเอาถูกกับตัวเองเขี่ยวเขียนตัวเองก็เลย ไม่มีกรรมฐานคือตั้งลถลิ้งถลิ้ไปไปมีไปเป็นไรนอกไปจากสติไปซะเราพยายามดูดีๆอะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องพอสมควรถึงเขาอดทนก็อดถึงเขาปล่อยวางก็ปล่อยถึงเขาที่ต้องเปลี่ยนแต่งเพิมหลงเป็นความรูก้ก็พยายามอยากค่อยตามอางทีมามาแรงเช่นควงง่วงนอนมันแรง ความรู้สึกตัวมันไม่เพียงพอก็หาอุบายหลายๆอย่างมาช่วยเสริมให้เกิดพลังความรู้สึกตัวมากขึ้นอาจจะมองไปข้างนอกเอาควมรู้สึกตัวมองไปข้างนอก้องฟ้าทิศเหนือทิศใต้พยายามยืดตัวขึ้นตั้งต้นใหม่ตั้งหลักใหม่ออกฉากใหม่ไม่ใช่ตะลุมวนเลย จึ่งจะมีโอกาสมีจังหวะจังหวะบางทีมันถ้าไม่มีจังหวะดีมันก็แพ้ถ้าจังหวะดีมันก็ไม่แพ้มันก็ชัยชนะเมื่อเราจะฟันต้นไม้เราจังหวะยืนให้มั่นคงจึงออกแรงได้เต็มที่ถ้ายืนไม่มั่นคงออกแรงได้ไม่เพียงพอมันก็สู้กับทำระยกป่ายแพ้ตลอดเวลาเวลาม่วงทีใดก็่ายแพ้ทุกทีเราไม่จังหวะดีก็ชนะทุกทีได้เหมือนกัน เอาไปมาของโม่งเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่จะแล้วกระจกกระเช็ดที่เตี่ยว้บางทีพระกรรมฐ า, านเนี่ยยังนักสปงโง่แสดงว่าไม่กระชกเสจะแล้วยิ่งใหญ่ตลอดไปเลยเราจึงเพียรพยายามเพิ่มแข็ ง, งตรงที่มันอ่อนแห้ได้ต้องหัวด้ความเพิมแข็งมันต่างเวละต่างห น, น้าที่กันไม่เหมือนกันทุกคนเราต้องเป็นบริเรเียนของเราเองเป็นสูตรของเราเอง แต่สูตของเรานี่ก็เป็นสูตรแบบพุทธเจ้าถ้าสูตรแบบมีความรู้สึกตัวอันเดียวกันถ้าสูตรแบบเหตุผลต่างกันกับพุทธเจ้าเหตุผลแต่คนละที่ลรทางยังมามีหลักคือการมฐานมีที่ตั้งเอาไว้มีความรู้สึกตัวให้มากๆสชวโอกาสด้วยไม่เฉพาะในรูปแบบนอกรูปแบบก็ยังทําได้คนถ้าเละเทะไหไปแต่ว่า เป็นสมักเล่นเล่นกับท้าทายความทุกข์ความโกรธความโลกความหลงได้ย่อนย่อนลงโ ล, ง ล, งลงห์ักคอบันตอนที่วันได้โอกาสที่มันจะจ้ายีเราก็หักคอตรง น, นั้นได้หรืว่าจะเอะกันตรง น, นั้นได้บ้างจับใบไล่ทันต่อหน้าต่อตาบางทีเราคุมเกินไปไม่อยากให้มันคิดพยายามกี้เข้าไปมันมาใช่กีฬาเท่าไหร่เหมือนนักว่เขาชกกัน ไม่ใช่ชกแต่เพื่อแต่ผือให้เขาชกดูด้วยเมื่อเขาชกดูอาจจะนอกตอนนั้นก็ได้อทํามันคลุกคแล้วก็นอกตอนนั้นก็ได้มันหลงมันทุกข์อ๋อตรงนั้นด้วยให้มันทุกข์ก่อนก็เห็นมันก็ดีเหมือนกันจะได้รู้รสชาติระหว่างความทุกข์กับความไม่ทุกข์มันต่างกันยังงความหลงความไม่หลงมันต่างกันอยังไงใช่ลุกเสกนัไปรับด้วยตั้งลุกตั้งรับบางโอกาสเนั่งเราเว่งรถถ้าทางมัน จราจรติดขัดแล้วก็ค่อยๆไปรับไปถ้าถงว่างก็วิ่งเอาวิ่งเอามันก็เป็นว่างเสื่อมไปมันวุ่นเหรอมันก็จึงเป็ว่างได้ถ้าไม่วุ่นมันก็ว่างไม่เต็นะผ่านจากความวุ่นมันจึงถึงนขุมว่างได้ผ่านจากความหลงจึงเป็นความรู้ได้ป่านจากความทุกข์จึงไม่ทุกข์ได้บทเรียนตรงนี้สําคัญที่สุดมีข่ามากอย่าไปเสธเวลามันหลงเราไม่ชอบเวลามันไม่หลงดีไม่ใช่อย่างนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมอันหลงก็รู้่วมันไม่แม่หลงก็รล่วมันอยู่นี่จะไปตั้งเป้าหมายไปอย่างอื่นหวังจะได้อ น, นั่นหวังจะได้นี่เจ้าให้ได้อ น, นั่นไม่ถูกต้องเจ้าพ่อชาติจิตออกบวชเอาชนะไม่แต่ทังกายอดข้าวอดน้ําไม่หาใจอะสอบรู้ว่าก็เสียเวลาทั้งหกปีเหตุที่พระองค์ออกบวชเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องการเคยเจ็บเจ็บตายนี่เอง เห็นการเกิดการเจริการเจรการตายจึงออกบวชมันเกิดตรงไหนมันเจรตรงไหนมันตายตรงไหนมามีสติการสุดท้ายดูปอยานุจนาเวทนานุปจนานิจตานุปจนานธรรมานุปจนานจนลื้อถอนเป็นขั้นข้นไปกายสวกระกายไม่ใช่จัดตัวคนตัวตนโหลเขาตรงนี้ตรงนี้อันจึงตรงเจรที่ไหนเจรที่กายมันเก็บที่ไหนเก็บที่ไาย รากายนี้เป็นภพเป็นชาติอะไรบ้างมากมายขี้หน้าลงไปเลยกายสวรรกายไม่ใช่จัดบุคคลโตตนโลเขาเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เอามันเกิดขึ้นมาพอหันหน้ามาบูตรงนี้มันเห็นไม่ใช่เป้าชนะมันโชว์โวความผิดโชว์คอมถูกแล้วก็ดูออกก็ไม่ใช่จัดบุคคลโตตนโลเขาคิดหรือที่มันคิดโน่นคิดนี้เอาผิดเอาถูกความคิดหรือตัดสินใจตามความปนคิดหรือ มันก็ไมาใช่กิจสักว่ะจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความที่มันเป็นอาการต่างๆเกิดขึ้นความเบื่อความถูกความสุขความทุกข์กความสงบความผุ้งซ่งงานมันก็เป็นอาการอันหนึ่งของธรรมมะธรรมชาติธรรมดามันก็ต้องมีก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะมาเห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งสี่อย่างนี้รวมกันเป็นรูปนาม อ้าที่มันรู้จากสุขจากทุกข์มันเคลื่อนไหวมันอสุขเป็นทุกข์เป็นมันอะไรมันรู้ได้เอมันมีนามมาทำไม่ใช่ก้อนดิบก้อนหินแต่ที่จะมาเป็นทุกข์ขอบคุณมาด้วยจินตนาการของรู้ไปซะมันโกรธมันทุกข์มันเลิกมันช้างเกิดจิตนะอ้ามันเป็นอาการของนามไปแล้วไม่ใช่นามจริงๆเมื่อวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้มาพุ่นวายทำไมโอ้มันนามมาทํามันมีอาการต่างๆก็รู้ได้จริงๆ มาเห็นอาการของลูกมาเห็นอาการกนะําไม่ต้องเรียกว่าการไม่ต้อเรียกว่าเวทนาไม่ต้องเรียกว่าจิตไม่ต้องเรีย ก, กว่าทํามเลยมาเรียกเป็นสองอย่างเป็นอาการหนึ่งธรรมชาติ น, นัง้งนั้นเท่าไปได้เลยนี้เดียวเมนเครื่องทุ่นเหริงขึ้นมาไม่หนักแต่ก่อนหนักพอไม่เห็นเ ป, ป็ ам, นลูกทําน้ําทําไม่หนักเลยมันช่วยตรงมันในตัวของมันเออน้ำมันก็ช่วยน้ำลูกก็ช่วย ล, ลูกเขาก็มีสติช่วยเขาอีกอย่ง ก็ช่วยได้สําเร็จเนื่องมันในมันเลยการปฏิบัติธรรนะ่ะพระธรรถูกกอง่ายเหมือนกิ่งคุกลงเขา่าพราธรรผิดพรยากเหมือนกิงคุกขึ้นเขา่ามัวแต่ไปสู้อดอะไรหน้าโวยดาเวื้งเอาความผิดมาลงโทษเอาความถูกมาความชอบพอใจเสียใจอยู่มันใช่ไม่มีคำ ว, ว่าพอใจไม่พอใจสติจริงๆเป็นตัวกลางกลาไม่เห็นเท่าเดิมความผิดก็อันเก่าความถูกกอ็อันเก่า ความทุกข์ก่อนเก่าความไม่ทุกข์ก่อนเก่ามันไม่มีใหม่เลยมันก็เหมือนเดิมสติไปเห็นทั้งสุขทั้งทุกข์มันอันเขาทุกอะไรก็ตามคือทุกมันก็เรื่องเก่าผมไม่ทุกข์ก่อนเก่านั่นแหละไม่ต้องหาอันใหม่ให้เหมือนเครื่องหนายเครื่องมืออย่างอื่นเลยมันเป็นแตนเดียวเท่าแล้วเราจะไปคิดว่ามันทําไม่ได้ทําได้อยู่นั่นเสียเวลาเปล่าไม่ต้องว่าได้ไมันต้องว่าไม่ได้ มีจะเห็นกันไปถ้าเอาได้เอาไม่ได้มันก็เป็นลดของโลกอยู่เราจงมาศึกษามาปฏิบัติกันเนี้ให้เริ่มต้นที่เราให้เข้มแข็งหลวงพ่เทียนอาจจะไมาไดอยู่ด้วยกับเราบางทีเราปฏิบัติเราไป เ, เสียหลวงพ่เทียนมากเกินไปก็ไม่เข้มแข็งสักทีให้มันผิดลองดูทีเพราเราเจ็บไข่ได้ป่วยอาจะแต่ภายนอกเราก็ก็อ่อนได้ได้หนึ่งละเราต้องดูแลตัวเรา ไม่ต้องตายเพราะความเจ็บไม่ต้องตายเพราะความแก่ไม่ต้องตายเพราะความตายจะได้ไหมไม่ใช่ตายเพราะความเจ็บไม่ต้องตายเพราะความตายถ้าเราดูสักแต่าโทษเรามันเห็นมันเนี่ยเห็นกายเสว่ากายเห็นจิตเสวะจิตเนยไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งเหล่านั้นก็ทําได้ก็เรียนดูนอกจากธรรมะล้วนๆที่เขาไปเกี่ยวข้องกับการเจ็บใจเจ็บตายแล้วมันก็มีอะไรเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปแต่นอกก็ เมื่อมีอย่างนี้เมื่อรู่นนี่ก็ไม่หวั่นไหวไม่กลัวกล้าอยู่เหนือการเคยเจริญตายได้เอารลางก็เป็นความสะอาดรักษาความสะอาดของตัวเอการใช้ชีวิตอันถูกต้องให้พอเหมาะพสมตามสถางของเราไม่ความแก่มาอ้างไม่ความเก็บมาอ้างปลองรู้สึกตัวไม่มีเลยอ้างเลยไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีหนุ่มไม่มีสาวไม่มีเพศวัยเป็นความลู่ล่วนเราเตรียมไว้อยว่แน่ไม่ใช่ไปเตรียม สู้กับความเจ็บเมื่อบันเจ็บไปสู้ความแฉ่เมื่อมรรแฉ่ไปสู้ความตายเมื่อบรนตายไม่ใช่เลยเหมือนดักบืยที่เขาไปชกก็ฝึกซ่อมปอส่สองวนจึงผมมีความสามารถที่จะเอาชนะคู่ชกได้คนมีความสามารถเรื่องใดก็ตทำเสียงนั้นนั่นให้เราประกอบอาชีพการงานอาชีพธนาเพราใจในการทำนาว่าจะไม่ยากไมจ่จนที่เป็นพอ่อนาร้อยเปอร์ ไม่คิดว่าจะยากจนเพราะมันทําได้งานแล้วก็มีเราก็ทําเป็นด้วยเคยอดขยะก็ไม่ต้องอดต้องอยากต่อไปมั่นใจในอาชีพการทํานาพ่อค้าอาตะการก็มั่นใจก็มีความสามารถในอาชีพกามั่นใจในการกระทําของเราเพราะนั่นเป็นอาชีพที่เป็นเรี่ยงชีวิตอาชีพแห่งธรรมจาติเนี่ยิ่งมากกว่านั่นไม่ต้องอาศัยอยันอื่นอาชีพชาวนาต้องอาศัย ทุกนาน้ า, น า, นาผลเข้าปลูกเข้าปังเครื่องเบือ่อต่างๆปันั่าไปนยังไม่ยอมจนนะแต่อาชีพการไปทะรรเลี้ยงชีวิตด้วยทำสิขาอะไรทำไม่ต้องอาศรรยัยเหนื่อเลยอยู่กับเราทุกทุกโอ้กมาไม่ยากหลยแต่ไปหลงทํำไมแต่ไปทุกทำไปจะไปโกรธทาไมจะวิตกกังวลขับเพี้ยนใจทําไมจะปล่อยให้มันลอยนวลหรืออันอาธรรมทั้งหลายต้องรู้ว่าตาก็ พูดมาได้เต็มที่อยากบอกอยากสอนแต่ว่ามันตีพาระมันมีปัญหาหูหนวกไม่อยากพูดกับใครก็คนเดาเราก็ไม่ค่อยรู้ใจเย็นเลยไม่อยากคูดกับใครให้หลวงพวมม่อกรมหายใจกระชีดดูด <laughs> จากนี้ก็พูดได้แต่พูดว่าบอกสอบอารมณ์ว่าไม่อยากพูดแล้วหูหนวกเหมือนกับเล่ากันคนพูดกับคนหูหงอกต้องพูดแรงๆแต่สมัยก่อนเราก็หูดี เมื่อพูดคงหงุดหงิดพูดได้สองสามคำ ก, ก็ไม่อยากพูดแล้วไม่สุภาพแล้วก็พูดฟดีๆ พ, พูดคนหงุดหงิดก็ต้องออกแรงเยียวยาทานก็ต้องไม่เหมือนธรรมชาติแล้วก็เลยไม่อยากพูดแล้วก็อย่ามาฟังอะไรเราะถือว่าเราก็ทําพอสมควรแล้วสี่สิบกว่าปีเนี่ยก็มีอะไรก็บอกมดสอนหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกราบลังไสเราเราก็ไม่อยากจะให้ใครกราบไหว ถ้าเคารพกันก็อย่าหลงอย่าทุกอย่าโกรธอย่าเปลี่ยนตนเดินอย่าเปลี่ยนคนอื่นนั่นแหละเคารพกันและเคารพพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนเราเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนคนอื่นโอว่าเป็นโมกการไม่ทําบาปทงปวงการทำกุศลนั่งจังปง้อมการด่าตนนั่เขาโลกปันคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหลายนี่เท่านี้ก็อย่าเปลี่ยนตนเดนอย่าเปลี่ยนคนอื่นแล้วก็ทํำจิตของตอนให้บริสุทธิ์อเสมอ การเปลี่ยนตนก็อยู่ที่เราเนี่เองการเปลี่ยนคนอื่นก็อยู่ที่เราการทักผีนี้บริสุทธิ์ก็อยู่ที่เราไม่ต้องไปขอขายอะอันนี้ก็เพื่พ<ม>อในควางสมควรใจเวลา